คนมากรากหลวงพ่อคําเขียนแล้วก็าคุยกันเรื่องความทุกข์ในชีวิตหลวงพ่อก็แนะนำให้เขานะเจริญสติปฏิบัติธรรมเขาก็พูดทำนองว่าเนี่ยหลวงพ่อนะผมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมหรอกนะหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่า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 เราเสียเวลาไปกับความโกรธไปกับความเศร้าไปความหงุดหงิดความเครียดเนี่ยวันนึงเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยเคยคำนวณบ้างหรือเปล่าทุกวันนี้คนมักจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่ใช่เฉพาะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะไม่มีเวลาทำโน่นทนํานี่แต่มีเวลาให้กับความโกรธมีเวลากับความเศร้าบางทีเป็นวันๆเลย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 อันนี้คือสิ่งที่คนไม่ไม่ค่อยตระหนักนเรามักจะพูดว่าอย่าใช้เวลาไปกับความฟุ่งเฟือยอย่าใช้เวลาไปกับความสนุกสนานนะควรจะใช้เวลาไปในการทำความดีให้เวลากับคนรักให้เวลากับการทำบุญทากุศลและการภาวนาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดกันคือว่าะอย่าใช้เวลาที่เหลืออยู่นะไปกับความโกรธไปกับความทุกข์นะไปกับ นะความเครียดความหงุดหงิดนั้นถ้าเราหวนตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ยเราก็จะรู้ว่ า, าการที่เราเสียแม้แต่นาทีเดียวสำหรับความโศกความเศร้าความโกรธนี่มันเป็นความโง่ามากเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องเอาเวลาสไปปฏิบัติทำหรอกเอาแค่ว่าให้แต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเราเนี่ยมันมีความสุขไม่จมอยู่ในความทุกเนี่ยแค่นี้มันก็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 ไปต้องใช้ปอดเทียมแต่ก็เป็นคนพิการแม้แตะนั้นแกก็พยายามดิน้นรนขวนขวายเรียนหนังสือนังหาจนจบมหาเทียนไล่ก็มีเพื่อนเนี่ยคนหนึ่งก็สงสัยนะว่าเคุณเนี่ยนะเป็นโปลิโอชีวิตเนี่ยนะ้ำพิการทั้งชีวิตเลยแต่ทำไมคุณไม่ค่อยมีความโศกมีความรันทดมีความน้อยเนื้อต่ำใจเลยเนะี่ยคุณกลับมีความสุข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 แล้วก็ควรใช้ในการที่จะเติมความสุขให้กับชีวิตของเราถ้าเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยลองคิดแบบนี้บ้างว่า เ, เราจะใช้ชีวิตที่เหลือของเราเราจะใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนีดเนี่ยแปลความทุกข์แปลความเศร้าแปลความโกรธอย่างนี้จะเรียกว่าฉลาดแล้วหรือนะเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยในการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตหรือว่าทาความดี รวมทั้งสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าปฏิบัติธรรมดีกว่าชีวคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะถ้าฉลาดเนี่ยมันก็ไม่ควรจะให้ความทุกข์นี่มันมาครอบงำย่ํายีจิตใจเวลาทุกข์ก็ลองนึกถึงคาถาของท้าจารพุทธทาสบ้างนะท่านอาจารยพุทธทาสบอกว่าเวลามีความทุกข์เนี่ยให้พูดกับตัวเองหรือตวาดตัวเองตวาดใส่ตัวเองว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์โวย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 เป็นสิบสบล้านนะมูลนิธิวัดสวนแก้วเพื่อใช้ในการช่วยเหลือชาวบ้านนะก็มีคนถามหลวงพ่อพยอมว่าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยกู้เงินเป็นหนี้เข้อเป็น ส, สิบสิบล้านเนี่ยเครียดไหมทุกไหมท่านตอบว่าจะเครียดทําไมจะทุกทําไมอคนที่ควรจะเครียดควรจะทุกก็คือเจ้าของเงินมากกว่านะว่าเราจะมีปัญญาจ่ายเขาหรือเปล่า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 ก็ไม่ต้องห่วงนะเวลาใครตําหนิเวลาใครต่อว่าเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์มนมีคนมาเคยมาถามว่าทํายังไงนะเราจึงจะไม่ทุกข์เนี่ยเมื่อมีคนมาว่าเราทําไมจึงจะไม่โกรธนะไม่ไม่ไมีเมืมม่อมีคนมาต่อว่าเราธรรมาก็บอกว่าเวลาเขาชมเราเนี่ยก็อย่าไปยินดีอย่าไปเพลิดเพลินถ้าเราไม่ยินดีในคําชมในคําเพลิดเพลินนะเวลา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 ลอยขึ้นสูงนะเวลาตกลงมาก็ต้องเจ็บ่ะถ้าไม่อยากตกลงมาเจ็บก็อย่าไปลอยขึ้นสูงมากๆนะเวลาใครชมเราก็อย่าเหลิองนะอย่าไปยินดีก็รู้ว่าเออเตือนใจเราว่าเออไอ้ของพวกนี้มันไม่เที่ยงนะมีคนสาเสริญเดี๋ยวก็ต้องมีคนต่อว่าอ่ทุกคําสาเสริญเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยคําต่อว่า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 ถึงเวลาคำต่อว่ามันเข้าหูเราก็ทุกนะถ้าไม่อยากทุกพระคำต่อว่าก็อย่าไปดีใจกับคําสรรเสริญอันนี้รวมถึงอย่างอื่นด้วยนะที่เป็นโลกธรรมฝ่ายบวกนะเช่นได้ลาบนะได้ยศหรือว่าสุขเช่นสงบนะหรือเพลิเพลินหลวงพระชาติมันบอกว่าเนี่ ย, ยสุขและทุกข์เนี่ยนะ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 จนหมดเนื้อหมดตัวอย่างที่เล่าเนี่ยนะเมื่อตอนเมื่อตอนเช้าว่ามันมันก็นมิจฉาชีพที่มาหลอกเด็กนะที่โรงเรียนว่าพ่อเรียกให้มารับนะเด็กนี่มันก็เชื่อนะพอไปถึงทางเปลี่ยนนะอมิจฉาชีพก็เอาเงินเอาโทรศัพท์ของเด็กไปบางทีจับเด็กไปเรียกค่าไถ่ก็มีแต่ว่าถ้ามันทําบนี้บ่อยเนี่ย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 แค่เห็นาตลักก็พอแล้วมันช่วยให้เราดูเองมันช่วยให้เราเห็นเองนะไอ้ความเจ็บป่วยนี่แหละนะมันจะแสดงาตลักให้เราเห็นมันจะโชว์าตลักให้เราเห็นนะขอให้เราเนี่ยแทนที่เราจะปล่อยให้ความโกรธให้ปล่อยให้ความทุกข์ความเจ็บความปวดข้อมงำเราเราตั้งสติให้ดีนะมันก็จะเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมันกาลังแสดงไตลักให้เราเห็น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 ถ้าเรามีเวลาล้างหน้ามีเวลาอาบน้ำมีเรากินข้าวนั่นก็แปลว่าเรามีเวลาภาวนาเพราะเราสามารถจะภาวนาจากการอาบน้ำกินข้าวด้วยการทําความสึกตัวนะอุตจักกัตัิเองนะว่าเนี่ยให้ทําความสึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลาเหลียวซ้ายและขวาทําความสึกตัวเวลาคู่ขาเหยียดขาทําความสึกตัวแม้กระทั่งเวลาอุจฉลาปัสสวะ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 อันนี้ t าลมก็เสื่อมลาบเสื่อมยศนะนินทาทุกขมผทั้งความเจ็บป่วยเลยรพวกนี้พวกนี้เราต้องรู้จะหาประโยชน์่องมัน ป, ประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราจะได้คือเรียนรู้ว่ามันมีลักษณะอาการอย่างไรแล้วก็มันแสดงแต่รักให้เราเห็นมากน้อยแค่ไหนเอาคเดี่ยวพูด ก, กับท่านนี้นะเอากรับพระ